เรื่องทรงอนุญาตให้ฉันคณาโภชนะได้ในมหาสมัยสองสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายในถิ่นต่างๆออกพรรษาแล้วได้เดินทางมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่กรุงราชครือพวกชาวบ้านเห็นภิกษุทั้งหลายผู้มาจากต่างถิ่นจึงนิมนต์ฉันพัตทหารภิกษุทั้งหลายมีความยำเกรงอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามการฉันคณาโภชนะจึงไม่รับนิมนต์แล้วได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ